ข้อสาพิกูจน์เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันเมื่อเธอจเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุ้นจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุ้นจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไปนั่นก็คือสมถะ และวิปัสสนาเข้าคู่กันคำพี่ปฏิสัมพิธามักอธิบายความหมายว่าผู้ปฏิบัติเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปโดยอาการ16เช่นโดยอัถะแห่งอารมณ์เป็นต้นยกตัวอย่างเมื่อละอุท ธ, ธจัจจะคือละความฟุ้งซ่านก็เกิดสมาธิกล่าวคือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่พร่านสายซึ่งมีนิโรธเป็นอารมณ์ พร้อมกันนั้นเมื่อละอวิชาก็เกิดวิปัสนาคือการตามดูรู้เห็นแจ้งซึ่งมีนิโรธเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าทั้งสมถะและวิปัสนามีกิจเดียวกันเป็นควบคู่กันไม่เกินกันโดยอัตตะแห่งอารมณ์สำหรับข้อที่สที่ว่าเป็นยุคหนัตสมถะวิปัสนาสมถะและวิปัสนาเข้าคู่กันนี้อะะัตตะา ทำคำอธิบายเป็นรูปแบบมากขึ้นโดยบรรยายว่าการเจริญสมถาวิปัสสนาควบคู่กันไม่ใช่หมายความว่าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทีเดียวเพราะเราไม่สามารถพิจารณาสังขารด้วยจิตเดียวกันกับที่เข้าสมาบัติคำว่าเจริญสมถาวิปัสสนาควบคู่กันหมายความว่าเข้าสมาบัติถึงไหนก็พิจารณาสังขารถึงนั่นพิจารณาสังขารถึงไหนก็เข้าสมาบัติถึงนั่น กล่าวคือเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วพิจารณาสังขารครั้นพิจารณาสังขารแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วพิจารณาสังขารอีกครั้นพิจารณาแล้วเข้าตติยฌานอย่างนี้เรื่อยไปตามลำดับจนเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็พิจารณาสังขารอีก อย่างนี้เรียกว่าเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปตัวอย่างสำคัญที่ท่านกล่าวถึงคือพระสารีบุตรซึ่งได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กันมาตั้งแต่ปฐมฌานจนตลอดบรรลุมรรคผล